10. พระโหนิ่สัชชะสิกขาบท 83. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้นั่งในที่ลับกับภิกษุณีสองต่อสองณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุทายีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ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 โอวาทาวักที่สามจบ